จเจริพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่แปดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาชำระใจให้สะอาดเหมือนกับ การชำระร่างกายที่ญาติโยมได้ชำระกันทุกวันแต่วันนี้เป็นวันพิเศษเราไม่ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรามีเวลาว่างเราจึงมาวัดเพื่อมาชำระใจการชำระใจก็เป็นเหมือนกับการชำระร่างกาย ถ้าร่างกายไม่ได้รับการชำระร่างกายก็จะสกระปรกส่งเป็นเหม็นไม่น่าไม่น่าอยู่ใกล้ไม่มีความสุขฉันใดใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้รับการชำระสักฟอ้อก็จะทำให้ใจไม่สบาย ทำให้ใจน้ารังเกียจส่งกลิ่นเหม็นเหมือนกันแต่ถ้าร่างกายได้รับการชำระเอะร่างกายก็จะสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นทำให้มีความสุขทางร่างกายใจถ้าได้รับการชำระก็จะทำให้ใจสะอาดไม่ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ใจมีความสุขทีนี้เวลาเราชำระร่างกายหรือชำระเสื้อผ้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเราก็ต้องชำระเหมือนกับชำระร่างกายเวลาจะชำระเสื้อผ้านี้เราต้องมีอะไรบ้างเราก็ต้องมีภาชนะเช่นกละมังมีน้ําแล้วก็มีผงซักฟอก เราก็จะได้เอาเสื้อผ้าใส่ไปในภาชนะใส่น้ำใส่ผงซักฟอกลงไปแล้วก็ทำการซักให้เสื้อผ้าสะอาดใจของเราก็ต้องมีภาชนะไว้สำหรับใส่ต้องมีน้ำสำหรับชาระและก็ต้องมีผงซักฟอกไว้สาหรับที่จะชาระทาให สิ่งสกปรกคลาบสกปรกนี้หลุดออกจากใจไปถ้าเราชำระเสื้อผ้าด้วยน้าอย่างเดียวก็จะไม่สะอาดเท่าที่ควรแต่ถ้าเราใส่ผงซักฟอกเข้าไปก็จะทำละเสื้อผ้าให้สะอาดได้อย่างเต็มที่การชาระใจของเราก็เช่นเดียวกัน สิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือภาชนะที่จะรองรับน้ํากับใจของเราภาชนะนี้ก็คือการทําทานถ้าเราทําทานเราก็จะได้มีภาชนะไว้รองรับน้ําก็คือศีลถ้าใจมีศีลมีทานก็จะสามารถชําระใจ ให้สะอาดได้ระดับหนึ่งแต่จะไม่สะอาดหมดจดเลยถ้าอยากจะชำระใจให้สะอาดหมดจดก็ต้องมีผงซักฟอกของใจผงซักฟอกก็คือการภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเวลาซักฟอกใจ เรามีทั้งทานมีทั้งศีล ม, มีทั้งภาวนาเราก็จะสามารถซักฟอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เหมือนกับที่เราซักเสือเสเส้อผ้าเราซักเสื้อผ้าเราก็ต้องมีภาชนะมีน้ำแล้วก็มีผงซักฟอกถ้าไม่มีภาชนะเราก็ไม่สามารถที่จะซักได้ ใส่น้ำลงไปน้ำก็จะไหลทิ้งไปหมดจะไม่สามารถชำระให้สะอาดได้อย่างเต็มที่แต่ถ้ามีภาชนะแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีผงซักฟอกเสื้อผ้าก็จะสะอาดกำจัดคราบสกปรกต่างๆออกไปได้หมดใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันต้องมีทาน เป็นภาชนะไว้ใส่น้ำก็คือศีลแล้วก็ต้องมีผงซักฟอกก็คือการภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวน า, ว า, า, วนาพอเรามี <c oughs> ทานมีศีลมีภาวนาเราก็จะชำระใจให้สะอาดได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่มีผงซักฟอกไม่มีภาวนา มีแต่ทานมีแต่ศีลก็จะชําระใจได้เป็นเพียงบางส่วนแต่จะไม่สามารถชําระให้สะอาดหมดจดได้สัท่าเราต้องการชําระใจให้สะอาดหมดจดนอกจากทําทานนอกจากรักษาศีลแล้วเราก็ต้องภาวนาด้วยต้องเจริญสมถะภาวนา จเจรารวิปัสนาภาวนาถึงจะทําให้ใจสะอาดโดยสุดใจถ้ามีความสะอาดมากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าสะอาดเพียงครึ่งเดียวก็มีความสุขเพียงครึ่งเดียวถ้าสะอาดเต็มที่ก็จะมีความสุขเต็มที่ดังนั้นถ้าเราอยากจะ มีความสุขทางใจมากๆเราก็ต้องทําทางต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องภาวนากันแล้วเราจะได้รับความสุขใจอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถให้ความสุขทางใจได้สิ่งต่างๆที่เราได้มาหามาเช่นลาบยศสารเสริญ เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลพะพระชนิดต่างๆจะให้ความสุขได้ก็เพียงแต่ความสุขทางร่างกายส่วนความสุขทางใจนี้จะไม่ได้แทนที่จะเป็นความสุขทางใจกลับจะเป็นความทุกข์ทางใจเพราะว่าสิ่งที่เราได้มานี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันเสื่อมหมดไปเวลาที่เราสูญเสีย สิ่งที่เราได้มาเช่นสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าพะไปเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เราจะมีแต่ความทุกข์ความไม่สบายใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนให้พวกเราหาความสุขจากการแสวงหาลาบยศสรรเสริญ หารูปเสียงกิิ่นสผลธพภัแต่ให้เราหาความสุขจากการทําทานจากการรักษาสิงจากการภาวนากันเพราะจะเป็นการหาความสุขที่แท้จริงเพราะว่าความสุขทางใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันเสื่อมหมดไป เหมือนกับความสุขทางร่างกายความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผธพระนี้มีวันที่จะต้องเสื่อมหมดไปเวลาที่เขาเสื่อมเวลานั้นเราจะต้องทุกข์ทรมานใจไปอย่างยิ่ง <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรามีความสุขทางใจ เราจะไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมของความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางลูกเสียงกิจลดพลเรเพะตอนนี้พวกเรายังไม่ได้สร้างความสุขทางใจกันพอสมควรเราจึงควรมาสร้างกันให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะได้รองรับกับความทุกข์ ที่จะเกิดขึ้นจากการเสื่อมของราชยศรรสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเช่นของการเสื่อมของบุคคลต่างๆที่เรารักเช่นบิดามารดาสามีภรรยาญาติสนิทมิตรสหายที่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันจากเราไป หรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่สักวันหนึ่งก็จะต้องจากเราไปถ้าเรามีความสุขทางใจที่เกิดจากการทําทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะความสุขทางใจนี้ มีกำลังมากกว่าความทุกข์ทังร่างกายนั่นเองความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไปนี้จะไม่สามารถที่จะมาทำให้ใจที่มีความสุขจากการทำทางรักษาศีลภาวนานี้เดือดร้อนกับความทุกข์ได้เลยนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำกันเพราะว่า เรากำลังเดินเข้าสู่ความทุกข์กันเพราะว่าเราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบสูญเสียบุคคลต่างๆที่เรารักไปเราจะต้องสูญเสียร่างกายที่เรารักที่เราหวงไปถ้าเราไม่มีความสุขทางใจเลยเวลาที่เกิดการสูญเสียใจของเราจะ ทุกอย่างมากและอาจจะทนอยู่ไม่ได้ถึงกับก็จะต้องฆ่าตัวตายไปก็มีก็เป็นไปได้เพราะมีคนที่เขาฆ่าตัวตายกันมามากมายอยู่แล้วที่เขาต้องฆ่าตัวตายเพราะเขาทนรับกับความทุกข์ต่างๆที่ประดังเข้ามาสู่ใจของเขาไม่ได้ พอใจของเขาไม่มีความสุขไว้ต้านนั่นเองเขาไม่ได้ทำทานเขาไม่ได้รักษาศีลเขาไม่ได้ภาวนาพอเกิดคว า, ามสูญเสียทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่ลดสูญเสียบุคคลที่รักไปสูญเสียสิ่งของที่รักไปก็จะทำให้ไม่ สามารถทนรับกับความทุกข์ได้ก็คิดว่าฆ่าตัวตายจะได้หนีจากความทุกข์นี้ไปแต่การฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการหนีความทุกข์แต่อย่างใดเพราะความทุกข์ก็ยังจะมีอยู่ในใจและจะมีมากขึ้นไปเสียอีกเพราะเวลาที่จะฆ่าตัวตายฆ่าสิ่งที่เรารักนี้ จะต้องเกิดความทุกข์มากขึ้นอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันเราเรารักคนอื่นแต่เรารักตัวเรามากกว่าเรารักคนอื่นเรารักก้าร่างกายของคนอื่นแต่สู้รักร่างกายของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดจะฆ่าทำรายร่างกายของเหล่านี้ความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นมาอีกหลายเท่าด้วยกันดังนั้นการ ฆ่าตัวตายจึงไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจแต่กับการเป็นสร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็จะทำให้ต้องไปฆ่าตัวตายอีกหลายพบหลายชาติด้วยกันเพราะเวลาไปเกิดใหม่แล้วไปเจอความทุกข์ก็จะหนีความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ ด้วยการสร้างความสุขทางใจขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจขึ้นมาไว้ต่อสู้ไว้ต่อต้านกับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ พอเรามีความสุขทางใจแล้วเวลาเกิดการสูญเสียทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกริ้นกายเกิดการสูญเสียบุคคลที่รักเกิดการสูญเสียสิ่งของที่รักไปเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเรายังจะมีความสุขใจอยู่เหมือนเดิมนี่แหละคือคุณประโยชน์ ที่เราจะได้รับจากการชำระใจของเราอยู่เรื่อยๆด้วยการทำทานอยู่เรื่อยๆด้วยการรักษาศีลอยู่เรื่อยๆด้วยการภาวนาอยู่เรื่อยๆการทำทานก็คือให้เราสละของที่เราลักของที่เราหวงไปเพราะถ้าเราสละของที่เราลักของที่เราหวงไปได้ เวลาที่เราจะต้องสูญเสียของรักของห่วงไปแทนที่เราจะมีความทุกข์เรากลับจะมีความสุขเช่นวันนี้ญาติโยมก็มาสละของรักของห่วงไปก็คือเงินทองเข้าของต่างๆแต่การสละด้วยความตั้งใจยินดีแทนที่จะเสียอกเสียใจ แทนที่จะมีความทุกข์ใจกับมีความสุขใจแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะเสียเช่นมีขโมยมาขึ้นบ้านมาขโมยข้าวของไฟก็จะเสีย อ, อกเสียใจจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีทั้ทงๆ ท, ที่ก็เป็นการเสียเหมือนกันต่างกันตรงที่อยู่ที่ใจหรว่า ยินดีที่จะเสียหรือไม่ถ้ายินดีที่จะเสียแทนที่จะทุกข์ใจกับไม่ทุกข์ใจกับมีความสุขใจแต่ถ้าเสียโดยที่ไม่ยินดีแทนที่จะมีความสุขใจกับมีความทุกข์ใจดังนั้นวันนี้เรามาฝึกเสียด้วยความตั้งใจเสียด้วยความยินดีเพราะเรามีปัญญารู้ความจริงว่า ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปถ้าเราสูญเสียด้วยความจำใจต้องเสียเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจแต่ถ้าเราเสียด้วยความยินดีด้วยความตั้งใจแทนที่จะทุกข์ใจแทนที่จะเสียใจเรากลับมีความสุขใจ เพราะเราได้ทำทานได้ทำบุญนั่นเองนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำทานกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์ใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงไปถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่เราเสียของนั่นไปเสียสิ่งนี้ไป เราจะไม่รู้สึกทุกข์ใจเลยแต่คนที่ไม่เคยทำทานเลยเวลาเสียอะไรไปเวลาเงินหายไปสักสิบบาทยี่สิบบาทก็วุ่นวายใจก็ร้อนอกร้อนใจขึ้นมาเพราะไม่อยากจะเสียเพราะหวงเงินหวงทองนั่นเองดังนั้นถ้าเวลาเขาตายไปเวลานั้นเขาจะต้องทุกข์มากเพราะเขาจะต้อง จากสิ่งที่เขาลากไปจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแต่คนที่ทําทานอยู่เรื่อยๆเวลาที่จะต้องจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปจะจากไปอย่างมีความสุขเพราะยินดีที่จะสละให้คนอื่นไปเมื่อเราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้เราก็ยินดีสละให้คนอื่นไป เวลาเราสละด้วยความยินดีใจของเราก็จะมีความสุขใจของเราก็จะไปสู่สุขติได้ไปเป็นเทพได้นี่คือการชาระใจข้อที่หนึ่งการให้ทานนี้คือการชาระความตณีชาระความเห็นแก่ตัวชาระความอยากได้มากมากนคือความโลภ ถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่เห็นแก่ตัวเพราะการทำทานนี้ก็เป็นการทำเพื่อผู้อื่นนั่นเองเราจะเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวได้อย่างไรการไม่ทำทานนี่แหละเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะว่าจะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ซื้อความสุขต่างๆให้กับตัวเองนั่นเองซื้อของต่างๆซื้อเครื่องดืง่มซื้ออาหาร ซื้อขนมนมเนยมาเพื่อให้ความสุขกับตนแต่ถ้าเราสละเงินทองส่วนนี้แทนที่จะซื้อของต่างๆมาให้เราก็ไปซื้อของต่างๆให้คนอื่นเราก็จะสละความเห็นแก่ตัวได้เราจะสละความตณหนีได้เราจะสล ะ, ะ, ะความโลภได้เพราะว่าถ้าเราให้มากๆเราก็จะไม่อยากได้ เราไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมถ้าเอามาเราก็จะเอาไปให้คนอื่นอีกนี่คือการชําระใจชําระสิ่งที่จะทำให้ใจเราเศร้าหมองไม่สะอาดก็คือความเห็นแก่ตัวความตนีความอยากได้มากๆนี่นี่คือข้อที่หนึ่งในการชําระใจให้ทานแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจ นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่ชำระใจได้สะอาดในระดับหนึ่งใจจะมีความสุขมากขึ้นมีความอิ่มมากขึ้นแล้วเราก็มาชำระใจด้วยการรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดโกหกหลอกลวงได้ ใจของเราก็จะสะอาดขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคนที่รักษาศีลได้นี้จะมีความสุขมากกว่าคนที่รักษาศีลไม่ได้คนที่รักษาศีลไม่ได้จะต้องมีความวิตกกังวลเดือดร้อนหวาดกลัวกับการที่จะต้องไปรับผลของการกระทำบาปนั่นเอง แต่คนที่ไม่ทำบาปก็จะไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาวิตกไม่ต้องมาหวาดกลัวใจก็จะมีความสงบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนี่คือการชำระชาระความโกรธชำระความ โ, ามโลภด้วยการรักษาศีลถ้าเราไม่รักษาศีลเวลาเราโลภอยากได้อะไร เราก็จะทําบาปทันทีเวลาเราโกรธเราก็จะทําบาปทันทีแต่ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะเบรกความโลภเบรกความโกรธได้หยุดมันได้เช่นเวลาโลภอยากได้เงินทองของผู้อื่นก็ไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงแต่พอเรารักษาศีลเราก็ไม่สามารถที่จะไปลักขโมย ไปโกหกหลอกลวงได้เราก็จะหยุดความโลภได้เช่นเดียวกับเวลาเราโกรธเราก็จะไม่ไปทำลายผู้อื่นทำลายข้าวของเงินทองของผู้อื่นเราก็จะเบรคความโกรธได้ถ้าเรามีศีลนี่คือการชาระใจให้มีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปอีกระดับหนึ่ง แล้วถ้าเราอยากจะชำระให้หมดเลยเราก็ต้องภาวนาการภาวนานี้จะกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอย่างถาวรการทำทานการรักษาศีลนี้เพียงแต่เบรกเอาไว้หยุดเอาไว้แต่ไม่สามารถทําลายให้หมดไปได้ การจะทำลายให้หมดไปได้นี้ต้องใช้การภาวนาการภาวนานี้ก็มีสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาสมถภาวนานี้เป็นการจับความโลภความโกรธความหลงมาขังไว้ในกรงก่อน แล้วค่อยเอามีดมาฟันมาฆ่าความโลภความโกรธความหลงอีกทีหนึ่งสมถะนี้เป็นการจับความโลภความโกรธความหลงมาขังไว้ในกรงส่วนวิปัสสนานี่เป็นการเอามีดมาฆ่าความโลภความโกรธความหลงให้ตายไปเบื้องต้นต้องจับมันเข้ามาขังไว้ในกรงก่อน เหมือนกับเวลาที่เขาจะฆ่าวัวฆ่าควายเขาต้องไปจับวัวควายมาขังไว้ในข้ อ, อ ก, ก่อนพอจับมาขังไว้ในข้ อ, อได้แล้วถึงจะค่อยเข้าไปฆ่าวัวฆ่าควายได้ฉันใดกิเลสตัณหาที่เป็นสิ่งสกปรกโสมมที่ทาให้จิตใจสกปรกนี้ก็ต้องถูกจับมาขังไว้ในข้ อ, อ ก, ก่อน เมื่อขังอยู่ในอคอกแล้วก็จะสามารถฆ่ามันให้ตายได้ตอนต้นเราจึงต้องทำใจให้สงบก่อนพอเวลาใจสงบแล้วกิเลสตัณหาก็จะสงบตัวลงจะออกมาเพ่นพ่านจะออกมาแสดงออกฤทธิ์ออกเดชไม่ได้พอมันถูกจับอยู่ในสมาธิแล้วก็สามารถใช้ปัญญาหรือวิปัสสนานี้ ฆ่ามันได้เลย <c oughs> นี่คือการชาระกิเลสตัณหาที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นสิ่งสกปรกที่ทำให้ใจไม่สะอาดนี้ให้สูญหายไปหมดได้เลยต้องใช้วิธีของสมถะและวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้นต้องทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติ คือการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะจะทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความโกรธเกิดความหลงได้ถ้าไม่คิดคิดแต่พุโทโธพุโทโธความโลภความโกรธความหลงก็จะออกมาเพ่นพ่านไม่ได้ก็จะสงบตัวลง พอสงบตัวลงแล้วก็ให้เจริญวิปัสสนาต่อไปให้สอนใจให้ฉลาดให้รู้ทันว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ใจไปโลกไปอยากได้ไปโกรธไปหลงนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาเป็นของชั่วคราวอย่าไปอยากได้ <c oughs> เพราะอยากได้มาแล้วจะต้องเสียไปในที่สุด เวลาเสียก็จะเกิดความโกรธเกิดความเสียใจขึ้นมาถ้าไม่อยากได้แล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องเสียเมื่อไม่เสียก็จะไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมานี่คือการทำลายสิ่งที่เป็น ส, สิ่งที่เป็นโสกสิ่งโสกปกที่สะสมหมกหมุนอยู่ภายในใจของเรา ทำให้ใจของเราไม่สะอาดไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์พอเราจเจริญสัมมาทิวนาได้วิปัสสนาภาวนาได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดความอยากต่างๆได้หมดไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะเป็นใจที่มีความสุขที่สูงสุด ที่เรียกว่าปรมังสุขขังนั่นเองก็คือบรมบสุขนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้กําจัดสิ่งโสโคกทั้งหลายออกไปจากใจได้หมดด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีด้วยการภาวนาแล้วท่านก็นําเอาวิธีของการชําระใจที่สะอาดบริสุทธิ์ดี มาเผยแป่สัมสอนให้แก่พวกเราอีกต่อหนึ่งถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติ <c oughs> สักวันหนึ่งใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าใจของเราก็จะเป็นปรมังสุขขังมีแต่ปรมมะสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลาย ที่เราหากันอยู่ในโลกนี้เราควรที่จะเชื่อพระพุทธเจา้าแล้วควรจะปฏิบัติตามถ้าเราอยากจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเราต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาํำเพงกันในวันนี้ขอให้พยายามทำให้มากมากขึ้นไปเถิด แล้วความสุขใจจะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ใจก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับจนหมดไปในที่สุดจึงขอฝากเรื่องของการมาชำระใจด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนานี่ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่คือปรมมงสุขขังที่จะตามมาต่อไป